แต่วิเศษีืสามเรนิลวิเศษที่นางเกการนาจะตจะเกิดวิจตังจจิตังสิงือตอนนีรัศมีจิสโตก็พื่อิสือสังปปะสังูปปนาราโสยถานมตโตติราชยถาจะที่สู่อยู่อับสัต สัาระโขยมสุติมาเทวดาเทวะยุทธิสุทธิทายุวะวาะลิาิจังปัจจายโนะสักการะท่ามาวัดท่นสิอายุว s นโน่สุขังส a ว เป็นบุตชั้นโยกนี้ได้รับผลแล้วกว่านี้แต่ด้วยอำนาจตัางกอกขุนพระลัษนาไกรว่าเอาาระองคเป็นที่เพื่แล้วเอาพระทั้ของพระองค์ไม่ไเรียกเป็นนมโหรือเป็นทุทั้งอิทธิปิโสเนี่ยละเป็นเสงสื่อเลินอยู่ พอบริเวมาเคยผลออกลัวตายเนี่ยน้ำก็เละอยู่อย่างนั้นพวบมนุษย์สั้งหลายเขอาขอยู่ในฟางน้ำมหาสมุทรนั่นเขาขวบสมานาโคดมความสร้างประสงค์มู่งไงตายหมดแล้วน้ำท่วม เห็นสิมากงทีล่ะเื่อนน้มันสินมากมันกระบอมันสินมากเงียบเงียบมันกับจองนี้สน้องเหี้ยงสารพัดมันกับสินก็้างไปตามเรื่องของมันมันนี่นะแต่มันบอลล่นเหลือเขามาหาบอนโถงอยู่จนเมดคืนน้มันลบ ตรงยังเลยเดินกินไปฟังได้ว่านีสายแค่คนนั่นยังว่าถ้าทาเป็นข้างป้องกันไท่และคนทุกเวลานี้แต่ยังเลวิ ก, กันยังว่ามันติดเป็นยังเดนละบั่นเมื่อเข้าเข้าจง สั่งอยู่ในความบอบประมาทต้องเตียนใจเจ้าของอยู่เสมอว่าโลกมันเดือดร้อนโลกมันมุนว่ายมันไมมาทับเราล่ะความเดือดร้อนความมุนว่ายใจเ้ยไอ้สงบมันทับเราสิจอก เพราะใจแมนมันสิตเป็นยังไงมั่นก็บอยงอถือมันได้หรอยางเสียสมาสไฟวาแมนเล่าสิตเพ่งมันเข้าไปในซานไฟแดงมั่นก็บวกหุจัดไฟมันไหนือยเ่ในซานไฟแดงๆบวกหุ่นจัดบ่เห็นน้ามันฮอนเว้นในไฟหลวกไฟล้นมันได้ไฟไหม้ไฟเผามันได้ นี่ล่ะใจมันเป็นของตายว่าเปลี่ยนย่งที่ล่ะมันตายเป็นจะตายดอกขันเมื่อหากใจได้ท่ำจริงๆคื อ, อยังสอนให้มันรวมได้ว่าได้ท่ำเพราะความรู้ทั้งฝ่วงมันอยู่สี่ใจเล่าโอมันอยู่ว่าได้ มันหลุจาคิดเส้นนี้ยูอันนี้ทำอยู่ในหันชื่อความจิดนั่นแหละมันก็ะเลยไปเป็นอันว่ามันบ่อใดโอบมันบ่อใดมันกระบ่ศักจิดยังหละนี่เทาอย่างเราเคยจิดอยู่เลยมันนี่จักจิตอย่างพอมันบ่มีท่ำเป็นกำลังหามันจักจิตมันพรอบเป็นพ้นฟู อยู่แต่สัวผมมีฝืนบมมีดาบบมมีผ่าบมมียังอันตรีจะทับงานมิสิจะต้อสู่ให้อันใดมาถึงผมีคันทาหากก้นในนีดาบนี่มีด น, น, นี่ผ่ามีฝืนอ้าวเกิดนี่คำนาดขึ้นมาว่า ปจัจะมีจะมาถึงเขาก็เห็นเขาก็กลัวพอมันนี่เชี่ยงสังหารอยู่ในตัวนี่ละ่ะหากว่าเล่ามีคำอึ่ในเรา่ามันก็นมีอำนมากมันจะเลยเป็นของที่ว่าักจิตนึกอนใน เห็นว่ามันจคบว่าเข้าใจว่าต้องการมันกับสิ่งนั้นก็คอยพินาศทิศหายไปเลื้ออันใดสิ่งผิดจะให้ยสิ่งจะเลิกเจตัวสิ่งเสียนั่นเป็นการจะเลิญสิ่งนั้นก็คอยฝหมั่งมุ่นบริบูรณ์จรเิญสิดมาหันความตั้งการถ้ำมันก็เป็นอย่างนี้นี่แหละ้ังว่า ว่าความทุกขุมันอยู่ที่ถ้เราจงเป็นผู้เพืพ่อขัดใจของเราให้ที่ถขึ้นมาแต่มันมีมันรวงเข้าไปมันร่วมเข้าไปเรียก็มันพอกก็มันพอกแตนีน้มันเรียกอกสิใชอันมันบ่าหาสสิท ให้มันหลุดปลุยไปให้มันยัดตั้งแท้ความสัีย์ในนั้นจังหวัดเป็นหยังกระ้างเป็นท่อเป็นเกี่ยวเป็นแวนหันมันนี่คีอไข่เรามันไม่มีราคามากหรอกเพราะมันตกกระโปกมันม้ว่ๆเอามันว่าป่องใส ถึงแก็เป็นแก้วพ้ามีราคากว่าเคยราคาหน่อยๆเขาก็บลูกกัอยุ่แล้วอย่างนี้ใจเแล้วประมนมี้เสน่หนี้เล่ามันก็นเป็นอย่างนั้นหละ ม, มันว่าักสิทธิ์มันว่ามีอำนาจเขากับวัตของบอท่ทมีเสน่ห ม, มีราคาคื่กันนั่นแหละอนนั้ น, นเียาว่าต้อง หาวบายสอนเจ้าของลังสิเก้าไปแล้วว่าความภาวาน า, าใดเมื่อไผมาถึงเอาอภาษาได้สอนกันหมดสงบดีบัดเอาตายลงใจสงบ ก, กันได้ผลสออุดก็เลยเอาตายเป็นเครื่องแลวใช้ใจใจจะร่วมไดผู้ร่วมบทไดจะร่วมลงไดพอมันหลุกจะตาย มันพอเห็นวันนี้มันสุนตายแล้วเห็นนั่นผู้ภาวนาถึงผู้บาอาจารย์สอนอย่างตัวเขาพีเจ้าวีล่าใจมันบโยตอนว่ามันอยากไปหงษงแต่มันอยากได้ครับที่คิดเป็นกัมมันแต่มันอยากไปไป แต่ว่าอย่าเริ่มตายนะอย่าเริ่มบเสียงอย่าเริ่มทุกขคมื่อมันได้แล้วทีนี้พอเราุกต์สงถามมันยังีิทีนี้เลยบุบ่อตายให้ถามมันยังสิว่าได้หรือยังสิอะตายยู่ววะทุกขยุ่ว่แล้วมันจะเผาจะแก้เป็นบะ ไดใถามบ้งมันว่มีบรเนี้มันจะพ่นจากตายจากเจ็บจักแก่ไปเลยรหรอเมื่อมันรู้แล้วว่ามันว่ามีพ่นไปได้มันก็ร่วมสำหรัมันก็ว่างอะไรมันไปมึดจีตมันทำอะไรดีบัตไปเบิ่งคันว่ามีดคันว่าเห็นมันพ่นตายคันว่าเห็นมันพ่นจักเจ็บจาก มันหูเหลืองที่มันก็ห้ายห้ายว่ดีพอมันว่ามีอันนี้มันคนจากสิ้งที่เราว่าหวาทภัวรหรือว่าบุธีเพิ่งกับสอนอย่างที่ละแต่ได้เอามาใชัยสินดูบายสอนใจจะดีมากได้ทุกกันนะมุ ญ, ญาะน่ยิกนี้นนว่า เราแยกสีไปถิ่คว่าเอาแก้เก็บสายเนี่ยยิ่าใจบิญญาณจะไปถิ่มจะไปหาบินว่าสีเอาไหนมาแก้มันไม่มีสางปิแก้มันดอกเพราะมันมอเห็นวันที่สุดของมันวันว่าดีของมันมันมอเห็นวันสุดมันว่าจะดีอยู่ไป ว่สวยแต่ว่าจะสวยเรืไปนี่จะยังได้ไปมันเราว่าเห็นบอลสุดมันทันอย่าัดเอากายเขาใส่เลยเห็นอยเ็นนึบึสายใได้แล้วาิสายบว่านว่าดีนี่สายบรดนี่นี่เนี่สวยบ่กนี่อะะอันนด้เราบก มันผลหนีจากความวับบดีสิเราป่ะสบการณ์ใหไปเลยนี่จะมี่อยู่สุขแห้งไปอยู่วันนี้ก็ได้ดอกนั้นเราขี้ที่จะหน้าเบิ้งพูดเรารูจ้จนเกี้ยกลูกสามราเคยเห็นเปนสัญญามากวันนของเรา่กใจหูเคยเห็นบน่าเส้นได้เซนี่มันได้ได้เซนี่มาหมดแล้วแต่นี ริงเีบว่า้ใดแต่นี่พูดได้เบิอ้องหลูกอยู่แล้วไผ่ละคนตายไผ่พนเก็ยบพ่นแก่พนทุกผู้ใดหลายหลายคนนี่มันก็ไปเห็นหนี่มันทอกันนักที่จะหน้าเข้าไปแหงเห็นทินทุกเพราเราผู้จนทรัพันความนี่มันเป็นของมาบังคับให้เราท่ำได้ให้เรารักษาให้เรา ดูแลด้วยมันแห้งเพิ่มเัวเห็นไปสับเล็ด่าเห็นเค่องได้พอมสบายสุดเดี๋ยวมันถลงไปดเอามาพิจารณาอีกคนที่สุดหลเชี่ยตะไลเชียน ก, กอกไฟลูกทางนั้นไฟลูกทางนี้มันก็ไฟเป็นรักสิน่นใดเห็นจิ่งลงไหนเนี่ยมันก็เป็นสี่งนีเห็นเนี่แค่ว่า มันว่าแมนของกว่าตัวอันนู้เนี่ยมันของฟอกใจหญ่ช้างฟอกใจมันเป็นตัวสี่หลักมันว่าแมนเอาเงินเพ็รเงินเพชรข้ามมาฟอกมันดอกมันแมนของเรืยเรื่ององสี่หลักอกให้มันดีได้ในนี้ช้างแควาวสุนสูวฟอกปลาฟอกไวยฟอกของมันมันสะา มันว่าแม่งของสีเหล่านู้นนะเข่าเสียบมาห่อไว้ในผาเขาก็ห่อบะไรต้องตัดขาดแล้วเสียบมะโอมไม่ได้ปากเพื่อมาถือไว้กับอะไรมันตัดเข่าแต่ว่าหากมันฟอกใด่สิอตัวข้าวหัดไปเอาไว้หน้ามันก็ตัดผาตัดยังไปตัวหลกดหมดเลยเฝ้าฟอกฝ่าว่าฟอกมันก็ยังสิบว่าตัดจะเป็นเล่าฟอกเล่าอะอย่างมัน ฟกลัาล่างลาหวมดเกดตัดเต้าขึ้นเลยเข็มตุ้มเข็มต่อคัดมันมีสี่เข็ตเข็มตายเข็มนี่เนี่ยมันจะเห็นเมันว่ามันพ้อมดีหรอกอันเราฟอกฟอกเนี่ยหาบอมนีแล้วฟอกแต่แท้ดินเท้าเก่ากอกหูเหลือฮา่าโจมเส้นใบมังกรัสียงเสียใบมักรเสีงเสี่ ยมองย่องูมันก็ออกมันว่ามันของดีอันเสี่องอกมันเป็นปกระของกระทิศคุณของนาเกียรทั้งนั้นแหละมันหากเป็นองฟอกได้เพื่อกันเท้าอาอกมาฟอกไกใส่ทั้งสี่เหล่าของสี่เ่าฟอกมันก็ฟอกไก่ทีไปเอาของดีๆมาฟอกทุกโชว์ทั้อมาฟอกมันวอกเขาให้ได้ดอกใจมันวอแกลงให้ นี่ร่วมนี่สว่างขึ้นมากีนี่ยงใดเลยมันจะเอาสงคี่คอบมันมันหักเป็นหอครับหรือผู้โทษกับมันรวบอย่างนั้นเล่าศิวาใดมันมาร่วมมันก็าว่าเป็นไหย่ฮันละผู้โทษพอมันว่าเป็นมันบ่สว่างขึ้นมาในแก่เล่าแก่เล่าว่าแก่บ่สว่างสมัุกเกาสิ่งผู้โทษในอินทร์เอาเจ้าที่เขาใช้มันหลวมมันนีงมันหลแก่มันจะแก่ ผูโชกเฟะ เ, เ, เ, เราลูกแกล้่มันกัแม่่วงเืินแก่าแกล้งเราตระรัวเราได้กับูโชเฟะสว่างขึ้นมากเนยมันกัเป็นองที่แล้วว่ามันวัชลูกมันหกักใดมันถึงสร้างฐานขึ้นมาเลยครานมันมันร่วลอยๆมันกัเล็แผลหนาดไปหรือว่าแผลเผาไปสว่างแต่ล้เนี่ยเห็น ส้างหลายชิ้นส้างหลายส่วนดีดีแล้วก็ดีหูกระดับจนตัวแบบที่จนตัวก็เห็นเป็นสองสกปรกเห็นว่าบ่กเป็นตัวเป็นตนวฉินมาได้เป็นฟูโต้เป็น ธ, โ, ธนนมโมลวันครับเป็นทั้งธโมเป็นฟูธโต้แตบบว่าลูกแก่อั น, นี่ยว่าแม่นลูก ส, สว่างชื้ชีลูกแก่เมอ่มันลูกแก่ไปได้สองหางองพระหลวงยุทธก้อนมันก็นลูกแก่ไป นั่นแหละว่าเป็นซัมโมอันนี้ความเราภาวนาเราว่าสายหรื อ, อยังยังวาเมื่อนั้นเป็นสังโคเป็นผู้ปฏิบัติดีรูปแหวนยูหันตัวซัมโมสังโคยิ่ใจเราก็ะดรขีดมาเราก็ได้เช่นพร้อมสักทิศขีดมาแล้วครับนี่เป็นอำานาจขีดจิตใจด้วยลย่ะครับยังโป่งนี่อำนาจ น้ำแท้ๆต่อยงว่าบังคับพหอมันไหลมาได้ว่านมน้อยๆดีน้ำสมุนธ์คุนว่าเชียงคีบมันก็คือเน้นน้ำลือกเัราะเลมันใต้ใต้สมุสมุแม่แม่นม้ำเลือกถึงก็ย่งบังคับได้หอมันไหลมากหัวามากับกนได้ละนี่ยชื่อว่า ้ากการตั้งใจถ้าไหนมันฝ้นๆมาอย่าคิดไปหวังเพิ่มที่สร้างยังผู้บังคับปองพู้นัดอย่าหลูกเสือว่าไม่จสิเพิ่นไดมันว่าวิการเหตุอันใดผลสายกระไรดอกบัดเราภาวน่าคิดเราร่วมลราใจเรารันรนะพ่อสายร่างกายมันก็จางเกิดจางตาย่นนะแต่ว่าใจเราบบตาย เลยไปสุขทินเป็นเสนี่ล่ะไปเสียดใจพอมันเก่าหออัวเี่ยวหัวตอเลยได้ยัี่มันดันเมื่องเป็นเสกมันเกาเหัวเลียวหัวตอ ม, มันแล้วเขาอกเตรียมตัวหาติเพิงอาลักหาฐานต้องเราไวเออรไปิตายถิมละ่ะ รักจ เ, เป็นผู้ถือศสาสนาเขาคาออุ่มเลือกยกง่ายโยห่หากว่าได้รับผลข้าฝันกังวาวรีได้มาเ่าอุม่มออกไปโยหักวัาากสิกินมันยังไงตัดเบิปงปัเห็นกันแทบหุยมัน เขาไปได้เป so mm. ลือกเ็นว uh ันเป็นเหนียวเป็นยังสินกินกายเป็กินเน่ยแหละนนันละบอแมนมันจีเป็นอาหารอยู่บเปลือกหันใม่เปลือกหันมันอยู่ในโพก่อนวันกินคือมันไปเห็นวันกินกับกินขนาดว่อันนี้เอากับไเห็นวันกินกับเล่ยเซินแค่สิริสิริเรนขนาดวเนี่ยวาแตจศิษฐาบวันมันพ้นหาวันมันหลบ ว่าหันมันมีอันตรายขนาดตัวเนี่ยวันยี้จุดไปบนนี้มึงนี่อยู่บนหันละอันเนี่ยพออันตรายอยู่กับเล่ามันว่ามันอยู่กับที่เพราะทีนี้แจกนี่ว่าไปหันมันว่ามีมันว่ามันงี้สะมันอยู่กับเล่าไปใส้มันกับเอาเล่าไปมันก็ยี่ไปทุกแห่งข้วแล้วมันนีว่าพ้นละเดี๋ยวนีเชื่อว่าต้องลบก็ตั้งใจไอ้จมันรวบมันพ้นละอัเนี่ยรับลบ เขาทั้งในโภมยานเวลาเว่าเซเตสังกาลาอนิกาสีดาปัญย่าปะอัตตายินูเเเสมโวิสยาว่าผู้ตังใจที่กนอนิอนิจังิทุกเนา นั่นเรียกว่าผู้เดินทางังว่าพระเตสังขราณอนิจจังสีนะไอ้ที่จะหน้าสังขารถึงเป็นอานิจจังเกิว่วเหยาดาปัญญาปัสสีว่างซเหิเดี้อนิจจังตลอดใจมันคิดยังกับเป็นอนิจจังกับว่างอีกตายมันเป็นอนิจจังเยอะละ ย่างสีเราสมาถเดิกเราถ้กระตามเราข่มลงเลยเราเดินเรานั่นใส่หัวรับล้างมูอเนี่ยมันมันติดเชียงยังไรยังสัตวเรายกนืยกเผาไปยังสือวมันติเชียงยังไรเลยนะของมันมวยยูติมมิติอันสีักีมันมวอยูไไปนะ็นทีจี เจแล้วคิดนื้อผูนะมันคิเทียงังไงเรามันอยู่แนวเดียวสิมันคิดสาพัดคิดยังดีว่างแตคิดแนวมือเสื่อนไปแตคิดกระพือคิดคิดยืดอะไรกับบุคิดยู่เนีน่เนียมันคิดเทียงยังไหน่ะีล่ะวนตัวเทียงกแกพัรู้ตายบเทียงใสัวรู้แล้วก็รู้อยู่รู้ว่าเราบเทียงตายเราบเทียง เราคมสราหลวเราข่มเราเอ้ยเราหวเราเอ้ยแต่ตัวไก่บ่ได้มาดื่น้ำแกงไก่ข่มเอ้ยจัมันเที่ยงลู่ยืืเราคิดมันกับลู่จับก็คิดมันคิดอยู่เราหลวมันว่าแมนติดเป็นผู้คิดมันดูมันดูยืดยะมันเที่ยงลุ่มส่ะตัวเที่ยง นั่นล่ะขัไดตัวเียงอันนันล่ะเราได้อยู่กับตัวเทียงนั่นเลยว่าผู้คนอันนี้คนตายเ่าตายันไปอยู่กับความมันคิดตัวเที่ยงอยู่นั่นก็เรียกว่าผู้อยู่กับคนตายแล้วนะมันเพเทียงอะมันก็ตายเงตายเกมันจะเกิดอีกจะทุกข์อีกอยู่้งกันมันบพอะไรของเทียงนี้ล่ะยางได้แบ เล่ากำหนดให้มันร่วมมันเที่ยงอยู่แล้วจะปลอกมันออกให้มันหมดเส้นของโพแทงเนี่ยให้มันเลี้ยวเส้นองเที่ยงอลู่นั่นอย่างนั้นมันก็เลยเป็นอนาบตตายร่างกายมันจะตายไปมันกลับไปสุกศีเป็นอย่างซากุรบเหมือนกับคนอยู่เนี่ยห่างเกงาไปเสร็จเงี้ยไม่ เล่านี้จากเพื่อนทางไปคุณอยู่เพื่อนต่างคุณไม่ห่างห่างอันไม่ม ไ, ม, ไมนั่นไอ้ที่ไปเบิ่งอยู่คบผูกไปอยู่เพื่อนไม่จะตอนอยู่เพื่อนเก่าไปเบิ่งบนเพื่อนเก่าเสียเห็นไห่เห็นหรือเปล่เพรอหนีจากเพื่อนทางนั่นเก่าไปเพื่อนใหม่แล้วอยากดูกต้องไปดูเพื่อนใหม่กันใดผู้ตายก็อย่างนั้นร่างกายมันเก่า เมื่อหากว่ามันจะเกิดเอาใหม่มันจะเป็นเกาใหม่ใช้จิตไปหาร่างกายเก่าให้มันเห็นอยู่ยังแต่เข้ามันก็เห็นอะไื่็ยังพุ่งนผู้จิตไปหาเพราอยู่เส้นทางเห็นมันเห็นว่าเห็นคือกันนั่นแหละเห็นนี่สาหัสฟ้าพูดท่านใกใสให้สารเราเลื่ไปฟันนิพพาน โหาบร้เห็นะเทียออนเพอาพันธุ์ผ่านมีกเลยอยู่ในสูกว่าเลยมาเกิดอีกหาหากว่าคู่บอทันใดมักผลมีพัน้านทำบอทันใดจิตจะบรวชทำกั บ, บวไดอย่างเงีเออมันก็เสือรูปไม่ได้มันจำจาดหลังบาได้หาคู้นั่นไปจัดได้กเว่าได้าดหลังใสเป็นไงกันนี้สิเนี่น ยังเลยว่าตายบดับระ ว, ว่างตายดับเขเห็นหนึ่งเราไว้นในสารแลห ว, ว่ามันไม่ดับมันา่แม่ผู้จาําสัตช์ยังติดยังเกราสัหลังแต่ยุ่มันบดับังสัตมาจะเกิดทำไมยังสล่นระ น, น, นั้นอยากเห็นกเป็นเบื้องหลบไมยถึงต้อิตก็ไม่เปน่จักษดลมันแค่จินเป็นผู้เห็นเด่เห็นยาพอผู้จิเจ้าคุณง่า เป็นรูดายหลานซาเลเจ้าคุณี้ย่างเป็นรูดายราใช้ตาบตาย ม, มาแจกสมาเกิดที่นี่ดังทสีเต้ยร่อยว้างว่าเสีงสีสียงนี้ว่าตายเราปลูกกับสสมบัติเป็นสีสีพอพเกิดมาตินหมาเพื่อวางจับและมาดหมาเขาสับกบบี่ เกินพระพุทธเจ้าไปบินบาตสาําท่าแต่ว่าสิษเขาไปเอาทรัพย์ผลมาเอาโงงและผัสลงโงงนคันลูกเออมาเนี่สแตเป็นมนุษย์เป็นสศรษีเป็นเกษิรี่พสมุดในท่านอันนี้ผล เ, เกิดสายหัวทรับผมาเกิดเป็นหมาขวาทรัพย์รา่ว่าเล่าวิสิเขาไปเอาจิโมอของในโรงบาบาลแล้ ว, ว่าไปตัวเวย เป็นเลยว่าันสอเนี่ยมามันเลยัมซาดได้อีู่เหรอฮะเนี่ยเพราะโพงวาวาโพงคู่ตัวรู้กี่นี่ละเป็นมีนยางเป็นรูดายังไงแต่พอเศรษีพูดเป็นความมาเกิดเป็นมาเข้าปามียากัรูด่เหรอฮะเนี่ยในมีางอันนี้เร่ายากเข้าใจว่าสเมแต่ฝาผู้ใจเจ้า แล้ะพาเรียเจ้าาคิดเล่าร่วมได้มักกับเป็นได้ ค, คิดเ่า่วมมันกับว่ามีอะไมิใช่คิดยุ่งสิละ่ะมันก็จะว่างให้ไปเห็นว่าชัดแรกเล่ามันจะใส ใ, ใสใสหอกบูฮูล่ะพอมันบมีงานมันคิดเล่าล่วมมันตามกระแสเก้ามันบได้ ย่างพระ อ, อง์ว่าสอนว่าให้คิดร่วมคิดเข้าซู่เขาว่างเขาว่างแต่ว่าพบมีละคำมันเข่าไรพบหลังมันนี่เชียงไรมันสิมีย่านมันก็สว่างไปเห็นได้ของฉันละ่ะมีละ่ะเห็นันเชียงว่าเราจะชีวาพี่จะโหงหรอกเราโมนี่ไปโหมจะหรูเหตุจะเสียหลุ ด, เ, ดเลยบ่ได้นี่อยู่มันก็ บ, บกเัเกิดนั่นแหะขอตัวไปเ็ เห็นวิสระมีระได้เปียนใจให้ภาคกันตั้งใจอย่าไปคชื่อๆ อ, อย่าไปหวาดไปกลัวชอบไถ่อันตรนอนนอออ่อย่างนี้เขาบอกเจ้าน้าเพื่อกัดลูเชื้ออย่างบนั้นเกิดไถ่เกิดทุกอย่าไปจุดทำนูจ็คเราไปดีท่าใในแก๋ห้ร่วมะ แต่มันกดมันขี้เมี่มากกบ่ต้องกลัวละเราเลยขี้ตายเลยทุกคิดร่วมมันเป็นบ้านสายดีอเอ่าเรา ล, ะละ่ะการคิดว่ร่วมมันก็แปลว่าสายบดีนั่นแหละกรรมอันนี้เมี่มันก็สิไปรับผลของกรรมในสุขในหย่อนอยูอย่หันละตแต่มันร่วมเามาตัดต่อกรรมมันบ่หายสุกไอ้กรรมเสิดทับมากไปผลได้ดอกเนี่ยนัครับ ให้กยานกรกับเขาท่านตวยมานฝนไปได้จะเียไคิดรวบเหมันได้รับผลยกของกรรมอย่างสันละเดี๋ยวาว่าะยานมันวาสุขคือมันว่าเราโบกจับวันที่ให้มันคบหรือวาลุจักกันหลงอยู่เดียวดีกับบริเวณเพราะท่านไหนมันคนไหนมันรวมไปได้มันมีความสัทธิขึ้นมาได้มันกับเมต่าทลอดหลายอย่างันนั่นให้ กรมาถึงอยู่ส น, นละมันก็เ ล, ลยรับผล้รงกาเสร็จจะพุทไปยังันาพอตัววยลุษนี้วอกนี้ากกรมีรายละเอียดนันเ็นว่าตอนนี้ไปก็จะได้เกินะมั่นากัจจังใจฟัง <c oughs> นะโมสัทาทาาาวาตัวระอาตสมาสัมุสส นะโมสัจจะพระกุศวรัตมะโตสมมาสมภูษัสสะนะโมสัจจะโอวะโตวรัตโตสมมาสมภูษัสสะเยเกจิกุสะราธมาเจเกจิกุสะบูระ เยาวะปัักุสละมุาามาราสัตยเทธัมมาปุสละที่ในบัดนี้จะได้เทศนาในาศาสนาธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทันในสัจจะยิ่งเห็นจริงไม่ทำสั้งหลายนั้นเพื่อเป็นเครื่องเตียนใจและผมโพน สถิปัญญาของสัตวพุท ธ, ธบริีรสัตว์างหลาอยู่ีเรศีดีภาเป็มีความเฉียบคมใสในคําสอนของ法师มาสัมพุทธเจ้าเตรียมบริบุญอยในคิดสันดานของตนของโตนวันนี้เป็นวันธรรมสาวนะสางพระกันลูกญิงอยากฟังปัสธรรมเทศนาะได้พากันมาประชุมกันในสรมสภาศาลานี้ โดยทำการบูชาคุณป ร, รัชนาตราปิที่เสืงคงค่ของตนด้วยอามาจักบูชาและปฏิบัติบูชาเป็นการสระางควมขึ้นในส่วนของตนสิน่นี้ก่อนอาวะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหาก ร, รมมาวา่าจนยิ่งใหญ่เต็มเตรียมอยู่ในทิสัตยสดานก้องขวบทั้ ง, งหลายบริบุญอยู่แล้วตอนนี้ไปเป็นโอกาสเพื่อฟางพระคัมภีร์ศาสนาของพระสมณะสัมพุทธเจ้า อันโอวัตคำสอนของพระพุทธเจ้าดังสเสด็จเยียนใจว่าพระพุธทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ติดใจธรรมใจรวมเหมืนอนหินาาธธแกหินเพราะว่าพุทธะแสวงสวามิวลาลูกแก่ได้เยียนเราอย่างนี้เหตุนี้ ความเสียนอย่างนี้ก็หากไปเสียมาบ่อย